เป็นเด็กกาสินนะอายุก็แค่สิบหกเป็นเด็กขยันเรียนเขาเขียนมาเล่าว่าที่ที่แล้วมีการสอบวิชาภาษาจีนเดีนะ๋ยวนี้มีสอนภาษาจีนในโรงเรียนนะครูก็บอกนักเรียนทุกคนว่าห้ามทุจริตนะหรือว่าห้ามลอก ทำลอกอการสอบถ้าหากว่าเจอว่านักเรียนลอกนี่จะหักคะแนนทั้งชั้นเลยคนละห้าคะแนนก็มีนักเรียนคนหนึ่งเขาไม่เชื่อก็เลยลอกเพื่อนลอกข้อสอบเพื่อน ครูจับได้ก็เลยลงโทษทั้งห้องเลยนะหักคนละห้าคะแนนตัวนักเรียนที่เขียนมาเล่านี้เขาก็เขาได้คะแนนดีด้วยนะก็ได้ยี่ิบปดจุดห้าคะแนนเต็มสามสิบเขาได้เกือบเต็มนะแต่ว่าก็ถูกหักไปห้าคะแนนก็เหลือยี่สิบสามจุดห้า แต่เขาก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่เพื่อนคนอื่นนะ่ะโมโหมากนะโมโหว่าเป็นเพราะแกคนเดียวทำให้ฉันถูกหักคะแนนเรียกว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้อง mm hmm. เขาก็ไปต่อว่านักเรียนที่ลอกข้อสอบ นักเรียนที่เล่าเขาสอบเนี้ยเขาก็รู้สึกผิดนะก็ขอโทษเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ไม่ยอมรับการขอโทษแต่ว่าเด็กนักเรียนคนที่เล่าเนี่ยเขาชื่อยุ้ยเพื่อนมาขอโทษเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรก็พูดกับเพื่อนว่าไม่เป็นไรนะคะแนนนี่ ครูหักได้นะแต่ว่าความรู้เนี่ยไม่มีใครจะหักได้ไม่มีใครจะลบได้เขาพูดได้เป็นคติมากเลยนะความรู้นี่ครูลบได้หักได้แต่ว่าคะแนนคะแนนนี่ครูหักได้ลบได้แต่ความรู้นี่ไม่มีใครที่จะลบได้เขาก็ไม่เสียใจเพราะว่าเขาถือว่าเรียนเพื่อเอาความรู้ ไม่ได้เรียนเอาคะแนนอ น, นักเรียนที่คิดแบบนี้ได้นี่ก็น้อยนะแม้กระทั่งนักศึกษาเรียนหมายยหาลัยก็ยังคิดแต่จะเอาความเอาคะแนนะไม่สนใจความรู้เด็กเขาพูดอย่างงี้มันก็เป็นง่าคิดสาหรับผู้ใหญ่ดินะเวลามีคนขโมยเงินเรา หรือว่าเงินหายนี่เราเสียใจไหมถ้าเราเสียใจก็แสดงว่าเรายังสู้เด็กคนนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้ามาคิดดูดีๆเนี่ยนะของสอสมบัติที่เรามีเงินทองที่เรามีเนี่ยมันก็เหมือนกับคะแน น, นนะก็คือว่าคนอื่นเอาไปได้ แต่ว่าความสุขนี่ไม่มีใครเอาไปได้คนส่วนใหญ่นี่พอเงินหายของหายมันไม่ใช่หายแต่ของนะใจก็หายเสียใจอันนี้เรา ว, ว่าความสุขมันหายไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ย เงินทองนี่ก็คนอื่นเอาไปได้แต่ความสุขของเรามันอยู่ในใจไม่มีใครเอาไปได้ถ้าความสุขมันจะหายไปก็เพราะตัวเราเองลองคิดแบบนี้สักบ้างต้องเลือกต้องแยกแยะว่าของนอกกายกับของในกายอย่างเด็กคนนี้เขาฉลาดเขาแยกแยะได้ว่าคะแนนนี่มันเป็นของนอกกาย ส่วนความรู้นี่มันเป็นของในใจไม่มีใครขโมยไปได้ไอเงินทองก็เป็นของนอกกายนะคนอื่นเอาไปได้แต่ความสุขไม่มีใครเอาไปได้ถ้าหากว่าเงินหายของหายแล้วเสียใจนอนไม่หลับอันนี้อย่าไปโทษใครนะต้องโทษตัวเอง เดี๋ยวคนี้เขายัางเล่าอีกนะว่ามีคืนหนึ่งนอนสบายสบายปรากฏว่าตื่นขึ้นมามันปวดปวดที่นิ้วปวดมากเลยก็เลยเปิดผ้าห่มดูปรากฏว่ามีตะขาบตัวหนึง่งมันอยู่ใต้ผ้าหม่มตะขาบมันมันต่อยมันกัด นะแต่เธอไม่โกรธเลยนะไม่โกรธรีบไล่ตะขาบออกไปไม่ได้ทุบตีมันแล้วก็ไม่กล้า บ, บอกพ่อแม่พอถ้าบอกพ่อแม่แล้วเดี๋ยวพ่อแม่นี่ก็จะไล่จับตะขาบแล้วก็มาฆ่ามันเธอก็ ไล่ตะขาวไปเงียบๆนะเพราะว่าพ่อแม่ลูกก็นอนใกล้ๆกันนะบ้านเธอก็ไม่ได้รวยอะไรนะเป็นบ้านชาวไร่ชาวนาก็บอกตะขาวให้มันน อ, อกไปซะแล้วเธอก็บอกว่าเข้าใจเลยที่หลวงพ่อหลวงพ่ อ, อคือมันอัตมานนะบอกว่า ป่วยกายแต่อย่าให้ป่วยใจมันเป็นยังไงเพราะว่าเธอปวดนิ้วก็จริงแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยเพราะว่าไม่มีความโกรธใจมันมีเมตากับตะขาบนะพอมีเมตตาตะขาบนี่ใจไม่ปวดใจไม่โกรธนะมันก็ปวดแต่นิ้วนะ พ่อแม่เห็นนิ้วบวมก็เลยถามาเป็นอะไรก็เลยบอกว่าตะขาบกัดก็อย่างที่เธอค่าเอาไว้นะพ่อแม่ก็รีบไปไปตามล่าหาตะขาบเลยนะว่าอยู่ไหนแต่ว่าเธอนะไล่มันไปเรียบร้อยแล้วตะขาบก็เลยรอดตายเด็กคนนี้แหละที่ที่เคยเล่าว่าแกเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ต้นขา เป็นมาเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วไปตรวจล่าสุดหมอบอกว่ากลับบ้านก็ฉลองได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวไม่มีไม่หาไม่เจอแล้วเชื้อมะเร็งเธอก็บอกว่าก็ไม่ได้ดีใจเมื่ไงแต่ไม่ไดีไม่ดีใจมากนะเพราะว่ามะเร็งนี่ มันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงจะไม่ได้รู้จักหลวงพ่อไม่ได้รู้จักป้าพยาบาลแล้วก็คนดีๆหลายคนที่มาช่วยช่วยเธอเธอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วนะคือหมายถึงว่าเป็นมะเร็งก็ก็ดีแล้วนะไม่หายก็ไม่เป็นไร จพอพวกงี้ไม่หายก็ไม่เป็นไรก็เพราะพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แล้วนะก็คือมีความสุขอันนี้ก็จริงจริไอต้ตะขาบนี่มันสู้มันเล็งไม่ได้นะแต่อย่าว่าแต่ตะขาบเลยนะขณะเป็นมันเร็งเธอก็ยังก็ยังยิ้มได้นะไม่หายก็ไม่เป็นไรพอใจแล้วกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะ คือพอใจกับชีวิตที่เป็นมะเร็งคืออยู่กับมะเร็งได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าป่วยกายแต่ว่าไม่ป่วยใจทำได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นมะเร็งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตะขาบนี่ตะขาบกัดับนี่มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยอก็เรียกว่าใช้ใช้เมตานี่ช่วยเยียวยาใจได้ให้ไม่โกรธเพราะคนเราพอโกรธเมื่อไหร่นะมันก็ ปวดใจเมื่อ น, นั้นใจมันก็ใจก็เป็นทุกข์นี่เด็กคนนี้ขนาาสนใจนะก็เป็นเด็กอายุแค่สิบหกนะแต่ว่าความคิดความอ่านนี่ยิ่งกว่าผู้ใหญ่เจออะไรก็ไม่ทุกข์เลยครูหักคะแนนทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเธอก็ไมไ่เดือดร้อนอะไรนะถือว่า ความรู้อยู่กับฉันแล้วนี่ไม่มีใครจะหักจะลบความรู้ของฉันได้หากคะแนนก็หักไปฉันไม่ว่าอะไรนะก็เลยไม่โกรดเพื่อนนักเรียนที่เรียนดีส่วนใหญ่นี่เป็นพวกที่บ้าคะแนนบ้าคะแนนมากแต่ว่านักเรียนคนนี้นี่แกเป็นคนที่เรียกว่าใยรู้มากกว่า กลับจากบ้านก็ห้าโมงเย็นตั้งเลยนอ่านดูหนังสือแต่ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มตื่นมาตีห้าอ่านหนังสือต่อถ้าวันไหนสอบก็ตื่นตีสี่แกเคยถามเอาไอเรียนไปทำไมนะเวลาครูส่งไปแข่งขันตอบคำถามแกก็เคยสงสัยว่า ไม่รู้อ่านไปทำไมครูให้อ่านเรื่อง14ตุลา16ก็ไม่รู้ว่าจะอ่านไปทำไมเพราะว่ามันไกล40ปีที่แล้วแต่ก็บอกเธอว่าเนี่ยเอาความรู้เนี่ยนะเรียนเอาความรู้ไม่ใช่เรียนเอาคะแนนแข็งได้แข็งไม่ได้แพ้ไม่แพ้ไม่เป็นไรเอาได้ความรู้ก็พอแล้วเธอก็จับเขา้าเธอก็จับ ความคิดนี้ได้นะก็เข้าใจเพราะนั้นก็เลยมีความก็เลยมีความสุขการเรียนนะครูหักคะแนนก็ไม่ว่าอะไรเพราะได้ความรู้ไปแล้ว